นี่จะสอบลสอบโทชนะวัคครับชนะสครับอบเสร็จแล้วก็ขึ้นสุราษนวัคต่อข้อแรกของโทชนะวัคเลยนะครับข้อแรกมีถามว่ า, ารองทานแบบไหนฉันได้ครั้งเดียวแบบไหนฉันได้หลายครั้งก็รองทานที่กตัญในระหว่างทางครับในระหว่างทางเลยนะครับแล้วกว็เราเราเราเดินไปใช่ไหม เดินทางไปราพิชางฉันได้ครั้งหนึ่งครับแล้วถ้า เ, เากิดเดินทางกลับก็ได้ครั้งอีกครั้งหนึ่ ง, งใช่ไหมเราไหลายครั้งยช่ไครับแบบหลายครั้งี๋ก่อนนะครั้งเดียวยังไม่คุมพ่เข้ไม่ได <c oughs> ้จัเข้าไม่ได้จังจังย่อเข้างที่สุดพ่ครับหก็ได้ใช่ไหมครับ เี่ยคุ้มเรื่อ ง, งหรือมมเองนอนได้นะ้วับมันตได้นะที่เวลายังครั้งนรกถ้าจอกจนหลวงพ่อพระพิสูเนี่อันนี้หลายครั้งหน้เลยอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ที่ยังครั้งเดียวเนี่ยยังไม่คุมครับมันยังมีนีได้หลายครั้งมาได้มันยังม่มีอีกแบบนี่บีแบนนแบนี่นะเองกวอต้องถูมได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเีอาหารด้วยครับ ชารายครั้งก็ได้แต่เขาจัดลักษณะนี้นะแต่ถ้าเขาจัดแบบทั่วไปเนี่ยมีคนนะแต่ถ้าเป็นนเู้นก็ข้ลายัอได้หครั้มีข้วน้้าหมันตีมนไดคนะัก็ได้เนาะองขอได้พอได้นะ่แต่ถ้าให้เซอ์น่อยคืออาหารที่เขาเตีไว้ทิงเล็กน้อนมีร ขนมยมนมอะไรนิดหน่อยนะั้นไม่ติดก็ให้อิ่มเต็มที่ไปเลยเนี่ยถ้าสถานีเนี่ยฉันกี่ครั้งก็ได้ใช่ไครับแล้วก็บ่ที่เขาจอจงตรงอยู่เฉพาะมิสูเนี่ยนะอันนั้นกี่ครั้งก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นลงทางทั่วไปเขาไม่ได้จอจงตรงแล้วปัญหาก็เลี้ยวเพียงพอจะอิม่มใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ทนได้ครั้งเดียวนอกจากว่าเดินทางนะใช่ไหมที่จะได้สอ ง, งครั้งที่สองต้องนะครับอันนี้ ต่อไปสองคณะโพชนาคืออะไรคณะพ่อคืออะไรนที่โยนออกชื่อภาพอันแรกโยมพ่อออกชื่อโพชนาะแล้วก็เป็นยไต่อภาพต่นือ่องนรับประเคร้อมกันโยนพ่อนี่หมดออชื่อโพชนาะแล้วก็ภาคไปรับประเคพร้อมกัน็นะงาพมันมีกีนนร่รูปครับกีรูปตั้งแต่สีรูปขึ้นไปใช่มครับ อาเพราะว่าเราประเคมพร้อมกันเนี่เอาแค่ไหนครับอยู่ในอัตราสอบอยู่จะมีสอบนะครับตอนี้เับประเขนนนี่นะครแล้วก็เอารับประเเป็นเกณฑ์ใช่ไหครับจริงงจะไปแยกชั้นอะไรก็แล้วแต่นะเอาราประเคนเป็เกณฑ์นี่ครับก็ถือว่าเป็นคณะพ่อแล้วคนนคณะพ่อเนียสองแบบแบบที่ยมเข้านิมนนแบบหนึ่งใ่ไครับและอีกแบบนก็คือ อย่างแรกโยงเขานิมนต์และอยู่แบ่งอย่างเงี้ยคืออะไรครับไอ้ครับอันนี้ออกตัวเนี่ยเดี๋ยวคณะผู้หลังอว่ามันเป็นคณะผู้ได้ด้วยสองอาการหนึ่งทายโยงนิมนต์อาการที่สองคือพิสูจไปขอเองครับนี่เนี่ยวมไได้นิมนต์พิสจไปขอโดยออกชื่อโพชนาครับขอชื่อโพชนาได้เหมือนกันนี่ไม่คือมันเป็นอาบัติเราไม่ได้ไ ก็ไปขอคนไม่ใช่ญาติแค่ตัวนานนะแด้ก็ไปขอชื่อโภชนะนะครับโยมเน่ยแต่มาขอเข้าผัดปูเ น, นี่ยนะ่งเอางูเช่นนี้เนี่ยหนึ่งบิดาบ้านก็ได้วันนี้ฝนตงโยช่วยสงฆ์ครอบผ้านะครับขอนะครับขอชื่อโภชนะอะไรนะอนะครับก็ต้องสี่รูปเหมือนกันนะจะขอพร้อมกันขอรวมกันขอแยกกันก็แล้วแต่นะครับไปขอชื่อโภชนะ แล้วก็จะรับประเด็นพร้อมกันก น, นี่ก็เป็นเป็นคณาโค้ดจำไว้เลยนะขณาโค้ดมีแน่ที่สองอาการหนึ่งท้ายย่อมมีนของชื่อโู้ชนาะสองที่สูกไปขออาหารของชื่อโูชน ะ, น, นะะ น, น, น, น, นะครับนี่และและก็จะรับประเด็นพร้อมกันนีครับต่อไปเนี่ยอันนี้จนะง่ายใช่ไหมจงบอกสมัยที่สามารถฉันขนาโูชนะได้ไมา หนึ<ม>่งการกระถิ น, รรนเาขาเรียกว่าจีวรังกาใช่ไหมในช่วงนี้สอใช่ไหครับช่วงนี้สองนะก็อันนี้ อ, น อ, นนะ อ, อันนี้าการกระิั้นอันนี้สองสขหมดเลยครับอันนี้สมสาสอกระทิงครับเนี่ยเรียกจีวรังการวมหมดเลยป่วยนะครัขี้านะสม <c oughs> สมโยป่วยครับสออนแล้วเอาค่าวที่ทาจีวรอัที่สามเขาทจีวรครับ สมัยนี้ชอบมันน่าจะมีตั้เจ็ดนะามาัเท่านี้อันนี้เดสามนะฮะได้สามนะทำไมเนทางไกลอาวาเดินทางไกลชอบข้างไหนรับให้ได้สเจ็ดนะคิานะยูรักดานะรักการะอัฐานะธมะเดินทางไกลเราบปิรุขานะอะไร นาวัดที่รัวหน้าคืออะไรครับไปทางเรือไปทางเรือลยครับอันนี้ไปทางเรือหน้านะหรืออยูีๆครับก็ไปทางไกลเดินทางไกลนะอาจารย์เดินทางไกลไปทางเรือครับก็สูนมากลุ้มใช่ไหมครับอไม่พอฉันครับแล้วก็อันหนึ่งเมล็ดกี๋นะ สมณาพักใช่ไหมครับสมณาพคืออะไรสมณาพักสมณานิมนต์ใช่ไหมสมณานิมนให้สันสมีครับอันนี้ได้เขาว่าสมณะนี่เอาาสตร์มิฆ่าหรือน้ำวนนกศสนาก็แล้วแต่ได้เนั้นนะครับนี่ข้อเจ็ดใช่ไหมมีอะไรนะเราเราไล่ดีข่ามอาภาข่าวตอนแรกนะครับาวอาภาข่าวการจีวรข่าวคําจีวรสมัยเดินทางไกล ไปทางเรืออยู่มากด้วยกันอาหารไม่พอฉันชาวพัดของสมณะเนี่ยจำไว้เลยนะอพอข้อสอบหน้าหนักคงต้องทำ ม, มันจะมีแช่ไม่เลยนะทำพอมีบอกอเลยครับก<ม>ารทางการจะทา ง, ทางเรือนเนี่ยเจ็ิญยามสมัยนี้นะครับต่อไปมันจะขึ้นอะไหนึ่งปรัำปรับโผล่แล้วนะเ<ส>มืออ่อโยมนี่หมดออกชื่อพัดไปแล้วนะครับโยนมนี่หอกชื่อโผลชนะเรียบร้อย พิสุจะทำอย่างไรจึงจะเปื้อนการฉันปรำปลาระโผชนะได้ก็คือสามารถไปฉันอาหารอย่างอื่นก่อได้โดยไม่ต้องอันบัตรเพราะปรำปลาระโภชนะจะมีวิธีเปื้อนยังไงครับทอบอกแล้วย้อนพิสุอื่นครับถูกต้องนะเคาเรียกวิกาใช่ไหมวิกาโภชนะนะครับก็คือย้อนหาพิสุอื่นอย่างครับมันมีสามแบบสามแบบนะ แจงโยมเวลาไปฉันพี่ก่นคบอกเจ้าภาพก่อนว่าเราจะไปฉันพี่ก่อนมนกได้เจ้าภาพนี่อยากก็ได้ครับอันนึงครับโยมาไรับโนะับแต่อะไรนะอะนครับแต่ทิกทางนะครับตัสมาไม่รับข้าตกลตมารับแต่ทิกทางนี่นะครับได้นะนี่นะครับ ใช้คำนี้นะครับพ่เขาออชื่อพากันแลใช่ไหมเราก็บอกว่าเราไม่รับข้อตาหารรับแต่ทิกสาหารครับนีเพื่องได้การพูดอย่างนี้นะที c, only, magic, equipped, ่บอกเรารับทิกสาหารเพื่อบาลมราโภชนะได้เพื่อคนะโคก็ได้ใช่ไหมครับนี่นะนี่ครับก็ได้สามอย่างหนึ่งวิกลโคชนะคือย่องหายที่สุดอื่นสองบอกเจ้าภาก่อนเจ้าพาอนอนุญาตใช่ไหมครับสาคุณบอกว่าฉันรับแต่ิสาหารใ่ถูกต้องครับ สอย่าสี่อาหารแบบไหนที่สู่รรบด้านไม่เกินสามบาทมีขนมปิ้จับบ้านขนมที่เป็นของาขนมที่เป็นของฝาแล้วก็อะไรครับเข้าคำเม้าเมือนต้เดี้วว่าาหาที่ก็เสียงไว้เพื่อเป็นเพื่อเป็นเซบิเียมเดินทาง มีพวกั้นข้าวสารอาหารแห้งมามา่าบะเบอฟ <How, S 1> ที่ก็เตรียมไว้บนทางไกลนะข้าวสตูข้าเมาอะไรตึ้งต้อนนี้เลยครับเนี่มยม่ได้เยอะยแล้วก็อาหารที่ขนมใช่ไหม <Okay. S 1> ที่เตรียมมีของฝากนะครับเป็นกล้องนะครับทันนี้อันนี้รับได้ไม่เกินสามบาททีนี้ถามว่าถ้ารับมาแล้วนะครับถ้าถ้ารับมาสาบาทแล้วนะควรจะทำอย่างไรก็สุดทบงต้องเจอ ขใข้อแก้ผมแย้งก่อนนัเสียละเ้ามิซูมาตามมาผมบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วทีนี้ผมรับครบสมบาทแล้วอืมครับบอกได้นะใช่ใช่ครับบอกครับถ้าไม่บอกจแต่นัม่เข้เป็นทุกข์กอดเป็นทุกข์กอดคและคนที่รู้แล้วก็ยังเข้าไปรับอกจะไนัม้าเป็นทุกข์กองครับเขาเป็นทุกข์กอดเหมือนเดิมแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยถือมาสาบาลแล้วไปที่ไหนครับจะต้องไปทำยังไง แบ่งท <c ười> ี่เส้อลูกกลนแน่แบ่งแที่สื่อที่ลงฉันได้ไหมครับแบ่งเท่าไหร่ครับแบ่งให้เอาเอาพระแบ่งใ้ที่ชอบใจกันนี่ยพ่อเพื่อนเราหน้าถึงเราไม่แบ่งอย่างนี้ไม่ปากคำเลยแบ่งให้พรสองใช่ไหมครับอือครบแบ่งให้พสองกี่บาทครับสักบาทครึ่งไมได้เราเล่ามาแล้วต้องสามบาทนี่ให้สงกี่บาทครับ สองบาทนะครับไม่เรียญบาทใช่สองสองบาทหรือไม่บาทเดียวให้ได้ลงเตาถ้ารัมาสองบาทก็ให้ก็สองหนึ่งบาทก็หรือไม่บาทเดียวถ้ารัมาหนึ่งก็ไม่แบ่งให้เลยก็ได้อันนี้นะถ้าผมว่าไปลงฉันที่ใกล้ที่สุดนะเราที่อยู่แถวนั้นหรือว่าที่เราไปฉันประจําก็ได้อืไปนะครับถูกต้องนะครับ จองที่บานลักษณะของการห้ามพัดมาคือเรากำลังนอยู่แล้วไอายุหรือว่าอะไรนแน่อะไรงโรเ์เทนมีประกอบเ์นอรางๆยังไม่คุ้มก็ต้องระบุกันเลยว่าคืออะไรที่เรากาลังฉันอยู่ในเรากาลังฉันโพชชนะอยู่ อยู่คนเป็นโยนทรื้าก็แลกแต่ใช่ไหมับเอาโพชนาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยถวาแล้วก็เอามาถวายที่สู่พอห้างเขาด้วยห้ามด้วยกายก็ได้วาจาเขาได้าก่ไหมครับอาหารที่โยนหรือผ้าเข้ามายต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นโพชนาด้วยเหมือนกันใช่ครับทั้งสองฝานเป็นโพชนาหมดเลย และเขาต้องเข้ามาสบังให้ใกล้น้องถวายที่สุดที่มีครับนี่ก็ต้องนะก็จะเป็นการห้ามพันธุ์ที่รงห้ามพันธแล้วก็ถามว่าอาหารแบบไหนที่ไม่ก่อให้เกิดการห้ามพัมบบนธุ์ออนอกจากโคชนะห้อาะอะไรบ้างอะไรยกตัวอย่างผลไมา้ผลไม้ อารมณพวนึงนะครับน้ำปานะาอันนี้พวกอ <c oughs> ย่างนี้ใช่ไมครับเขาเรียกของคนเคี้ยวใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะยามากการีน้ำปานะาส ต, ตางหานี่กชีวิตพวกนี้ใช่ไหมไม่หา้ามพลานเลยนครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อะไรครับนี่อ ย, ยข้าวต้มที่ไม่มีเนื้อใช่ไหมครับ <c oughs> ถูกต้องครับถูกต้อง <c oughs> ข้าวต้มเป็นข้าวอะแต่ว่าข้าวต้มที่ไม่แค่นใช่ไหม เหล้วตักแล้วก็ไม่มีรอยปากนะครับนี่นะครับนี่ต้องนะครับแล้วก็ไม่มีเนเนินนะต่อไปถามว่าพิสูจฉันโพชนะอยู่นะครับทายกน้อมโพชนะเข้ามาถวายใกล้ๆเนี่ยสบายเลยนะน้อมมาถวายเลยพิสูจห้ามด้วยกายหรือวาจาแต่มันเป็นการห้ามพัด น, นี่นะครับมีคาอธิบายว่าอย่างไรจงบอกมา เนี่ยก็บอกว่าที่สุกําลังฉันโพชนะอยู่ทายกยขอน้องโพชนะเข้ามาถวายใกล้ๆนะครับน้องขมาถวายอนู่แน่ขบักด้วยนะที่สุห้ามด้วยการหรือวาจาแต่มันเป็นการห้ามผัดนะครับโยเอาเอามาถวายเอาคนใดๆมาถวายแต่ว่าก็ได้ไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าเป็นโพชนะไม่ได้ออกไม่ได้กลาวโพชนะนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาแกงอัไรมาถวายก็คอ๋อเป็นควาไม เป็แกงอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นแกงขนมใช่ไหมแกงขนมใส่เนื้อแต่ข้าวมนเอาชื่อเนื้อข้าชื่อว่าขนมนนะครับนี่มรับถ้ารับแกงขนมนะครันี่นะที่สุดก็เอาไม่เอายกไม่เอายกใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นการท้ามันพันนะครับทั้งที่มันมีเนื้ออยู่นะนี่หรือแกงขนมแกงหน่อไม้ก็ว่างกัใส่ผักใส่อะไรใช่ไหม แต่เข้าออก่แบบผักตรงนั้นขาาเขาไม่ออกชื่อปลาชื่อเนื้อนี่นะครับนี่แหละไม่ให้การห้ามพันนี่จังว่าอะนะมีลักษณะนี้ด้วย <c oughs> ต่อไปนะครับอันนี้ง่ายแล้วอาหารเป็นเดนะครับในปผมปรมาภรณาในเรื่องห้ามพันธุ์เนี่ยนะในสีข่ขาบทนี้เนะี่ยหมายเขาว่าอย่างไรจงบอกมาต้องให้ข้องององของการทาให้เป็นเด <c oughs> ได้แล้วแต่ยัง อย่างว่าเอาไม่ครบไอแท่าอต้องพูดด้วยรูกต้องพูดด้วยใช่ไหมคทั้งหมดนั้นพอแล้วก็ยังไม่คุมนะถึงพูดบางทีอาจจะยังไม่เป็นแดงก็นด้คืองานที่รับมาต้องรับประเคนแล้วหนึ่รับประเคนแล้วทียาเรียบร้อยนลต้องประเคนในแหนาลต้องไปแหนบบาลลบอกว่าทว่าทั้งหมดนี้พอแล้วทั้งหมดนี้พอแล้ว ครับเนี่อย่างนี้เลยครับต้องหน้านะต้งหน้าของข้อนะครับนี่นะถึะะตงต้องนะครับอันนี้กชื่อว่าเป็นเดนใช่มหมไม่มีเดนอีกแบนนะะ่งเลยครับในสุขคาพตัว น, นี้นะเดนไปู่ไข้เดนไปสูะะ่ไนขะ้ครับอันนั้นไม่ต้องทำวินัยกรรมอะไเป็นเดนโดยธรรมาชาะะติ่องนะครัคบถึงข้องนะครับไข้อแปนอีกข้อนนะข้อนี้เด็นเหมือนกันอันนี้เอามาจากในคอมบีบริวารนะครับ ถ้าเสียามมจิน่าปัญหาใช่ไหมวิศวิงยาท่านทาได้นะเสียท่าโมจิน่ปัญหาแปลว่าปัญหาเหนือไหลปัญหาแถวมีเหนือไหลนะเขี้ยนจะเหนือออกนะครับทำใี้เหนือไหลอันนี้นะครับถามว่าเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วมาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะ ที่สู่ชันเนื้ อ, อนะครับเธอไม่ใช่ผู้วิกรมจริตคือไม่ได้เป็นบ้านนะครับไม่ใช่ผู้มีจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่ผู้กระสับกระสานข้อเวทนาแต่เธอไม่ต้องทำแบบนี่นะครับก็ทําข้อนั้น support, อันตรายสุดขทอสงแสดงแล้วปัญหาข้อนี้ท่านบุญศักดิ์ท่านไหยคิดกันแล้วนะครับเนี่ยเอาในเวลานาาิกการเลยท่าที่ก็ตกแล้นะมันจะไปสู่บ้านด้วย ไม่ับแต่ไม่เป็นอันนาลเพราะว่าชาหารในมาการเรถ้าไม่เป็นกรนีแบบไม่บ้าอะไรคที่สูดใครเขาฉันเนื้อหาริการนผมป่วยนะนั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้นบรอยากาศเขาฉันอาหารอื่นใช่ไหมรสเรสเก็ีอันนี้ไม่เอาครับ ไม่ใช่ตัวมันอย่างด้วยนะไม่ใช่ต้นมันอย่างด้วยไม่ใช่บ้าไมนดุผีเข้าด้วยไม่ทั้งนั้นครับเอามีสติสตังปกตินี่แหละใช่ถูกต้องนะครับที่สูบผู้มักแล้วอ้วกครัเนี่ยทัานเลยเนื้อออกมาแก็เกินเข้าไปนะครับนี่ถูกต้องนะครับนี่ไม่ธรรมดาที่สูบผู้มักแล้วอ้วกนะครับเนี่ยจำไว้นะรูกนี้แหละ นี่พี่สตาจำได้เลยนะครับ<ห>บอกว่าเนี่ยชานเวลาวิการไม่ต้องเอาหัห <c oughs> ่นก็คได้เลยคือได้เลยเขาเฉพาะพิสูจน์ก็มั่งเลยอ้วกนะ<ห>ท่านเอมาถึงนิ้วปากก็คือไปได้เลยครับอ๋อปัญหาเรื่องผู้คนะพิษอืมถ้าหากที่จะส น, นุกด <c oughs> ีแล้วพูดกันอยู่ที่อืมอ่ะเหนื่อโตกเลย ต่อไปจะอันนี้ง่ายหน่อยต่อไปถามว่าการิสอะไรบ้างที่ทำไม่ต้องอาบัติเพราะสันนิที่เป็นปัจจัยการิสอะไรมีการิสสีใช่ไหมมีเกียรที่ทำเป็นอาบัติดีเพราะสันนิที่โอ้ยไม่ต้องแล้วยาวะกียามะการิสนะครถูต้องนะรสองสองหุ่นะ ยา마อายาว่าคืออาหารใช่ไหมยา마คื อ, ana, อ น, น้ำปาหน้าถูกต้องสองอันนี้แหละที่เราเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ฉันในวันต่อไปใช่ไหมครับที่เป็นไปอย่ที่พสอนนิธเราถูกต้องนะและจองอธิบายการลิขรคนออกมาพร้อมกับยกตัวอย่างมาด้วยกันครับการลิขรคนเป็นยังไงเปนนหลวงใช่ไหมครับอย่างเช่นฉนอาหารอยู่แล้วก็ยาเราลงทะเบียมาหล อกัอาหารเลยใช่ไหมครับอยนี้ก็อาหารเนี่ยเป็นยาวะกาลีใช่มครับยานก็เป็นยาวะชีวิตหรือว่ายาว่าชีวิตกนแล้วแต่ถือว่ายาบางตัววิตามินบางตัวค่อยฉันพร้อมอาหารเลยใช่ไหมแต่ยาว่าชีวิตพอใส่เข้ามาในปากใช่ไหมครับมันก็ละควกับอาหารเพราะการเป็นแผนที่ใช่ไหมครับการที่ละคนมันจะเป็นลักษณะไหนครับการที่ละคนเนี่ย เข้าอยู่โซ่บ้นเนี่มันจะมีลักษณะถ้าเรามรัคนกันน่ะมันจะเป็นยังไงครับคือมีกระช่อมไม่ใช่หรือว่าเราเอากายมรคนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเด็งอายุของเขาของกายที่มีอายุมากกว่าตนน่ะให้มีอายุน้อยเท่ากับตนคุณครับอันที่มีอายุน้อยสุดใช่ไหมจะดึงเพื่อนหมดเลยอ้าวแล้วก็จะยกตัวอย่างอะไรเมื่อกี้น่ะ ก็มีอาหารอาหารคืออะไรหนึ่งรสช่องครับน้ำป่าหน้าคือสตาร์กก็คือมาร์คแม่แม่ร่างนียาวชีวิตครับยาวชีวิตแล้วก็ไร์สตาหารก็คือน้ำหวานน้ำหวานใน่างบุบอยเนี่ยอะไรยังไงน้ำปลาหน้าอะไรครับสมมติว่าเราเอาการิทึ้งสีมอลคอนกันเอาอาหารน้ำปลาหน้าสตาหาแล้วก็ยา อาหารนี่เราเราช่องใสาเข้าไปแล้วในถ้วยใบหนึ่งนะเราช่องใสายเข้าไปอน้ำปลาหน้าเราจะใส่ลเข้าไปใส่น้ำมะม่วงเข้าไปเนี่เครัใส่ไปเลยครั้วแรกก็สตาร์ห์ก็คือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำตาลหรือว่าน้ำหวานที่มันบอยครับแล้วก็ยา้อนมาสิ้นนี้คือนีแมงล่างที่เนี่ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยคใส่น้ำแข็งอะไรก็้าไปนะ ได้เป็นของหวานถ้วยนี่ใช่ไหมครับอันนี้อะไรมันจะดึงอายุอะไรครับมันก็เหลือล็อกช่องของเขามันดึงสามอย่างที่เหลือไม่กลายเป็นอาหารเหมือนเล ย, เยถ้าเราล็อกช่องออกเหลือแค่สามอย่างที่เหลืออะไรจะดึงเขาก็ชาปนน้ามะม่วงน้ำมะม่วงมันจะดึงที่เหลือเข้ามาใชครับถ้าเหลือแค่สองอย่างน้ําหวานกับน้ำมันล้อ น้ำหวานก็จะดีแมงลังกงแ่หลือแค่เจ็วันใช่ไครับนีน้ำความถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นยาวให้ยามาที่อยู่ทำเองยามที่วิสุทธิทเองน้ำปนน้ที่อยู่ทาเองนะใช่ไหมใช่ใช่ได้ถค่ช้าทุกที่หนึ่ครับใช่ใช่ได้แคชาทุกที่หนึ่งครับถ้าคนเป็นอย่างเนีเป็นสี่อย่างเนยอาหารมันก็จะดื่นะ อาหารมันก็จะดื่มแหละมันก็เป็นน้าปาน้าตอนช้าใช่ไม่าอ่าอาหารมันก็จะดื่มต่อไปเีศจะยากสับแสงเนีมันถ้าจำได้ก็ได้ครับเป็นไรครับผู้มีปัญญาอันโตมุถหกอันโตปักกสามารถปักกครับแต่และอย่างเป็นอย่างไรจงอธิบายมาอันโตุะอันโตมุทถาก่อนนครับมคืออะไรกนะันแน่ เก็บไว้ลองแปลคำสามี่อิุทหาเนี่ยเก็บไว้อันโตอยู่ที่ไหนข้างในครับเก็บไว้ในภายในใช่หมครับอันโตพูถากเก็บไว้ในภายในอีสินั้นคืออะไรที่เก็บเอาไว้การการลิ้มไหนที่แปอันโตพูถายาวักการลิ้มก่อน อย่ามมลาคาริบนะอาหารกับน้ำปานะเราแก็บว่าในภายในเก็บว่าในภายู่เก็บว้ในที่ไหนครับคือในในองครัวนในกุฏิ้วถ้าเขาส่งขนรั้วเขาเขาเรียกชื่ออะไรนะเขาเรียกชื่อกุฏิอะไรัดวี่เอวัี่ม่ีรั้วเนี่ยเก็บว่าในกุฏิในกุฏินั่นกุฏิเขาเรียกชื่ออะไรครับ อากระเปียกุตินะครับเก็บอาหารและน้ําปลางน้ำไว้แน่กับเปียะกุตีเนี่ยนะท่านที่ยังไม่ได้รับปันเกณฑ์นั่นแหละใช่ไหมครับเก็บไว้ในกับเปียกุติอาหารนั้นก็แล้วก็จะมาฉันไม่ได้ใช่ไหมเอามาเอามาฉันไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นอันโตมุขฐานนะครับเก็บมาหาแล้วนะำปาหน้าไว้ในภาชนะกับปียกุติถ้าเอานั้นมาฉันก็จะเป็นอาบัตอะไรครับปีกกาตาจิตีอ้อาบัตอะไรครับ ทุกกฎทำแบบทุกกฎครับอันโตปกาะครับออันโตภายในปกอะไรถ้าคิดแปคิดแปครับปักหงยังไม่ใช่เองอันโตไม่ใช่เองนะอันโตปักกาหงภายในอ่ื่อทาใม้สุขหงต้มในภายในเป็นเองงต้มใภายในเป็นเองครับก็ทำไ่สุขยมาทอาหารแมกับเอตุิกะหวามาก่กับุตินช่ไครับ ทำอาหาให้สุกในกับบี่กุตินะใช่ไหมนะครับอันนี้เรียกว่าอันตัวปากกาภาพเขาฉันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอ่านบททุกคนหมดเลยสุ่สามปากกานะครับอะไรนะทำอาหารให้สุกเองใครทำท่าอะไรทอภาพวิสูตทำอาหาให้สุกเองเป็นสามปากกา อันนี้ก็ฉันไม่ได้อะไรทุลูกนะขอสปามังเองใช่มนะครับถูกต้องนะครับต้องนี่ค่ะนี่ค่ะมีผ้าอยู่รูปหนึ่งนะแกเป็นโรคอะไร แกต้องจัดอาหารแบบสุขภาพาไลแกก็เลยทําอาหารฉันเองครับเพราะว่าลำบากนะอันจากเขาบอกเขาก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าทําอาหารฉันเองนะครับลำบ า, นะ า, ก, าบกทบทวนสิบ็ดนะครับอ่านอไม่อยากกับปียะกับปี้ยกุตินะมีสี่อย่างอะไรบ้างจงบอกมาครับจำชื่อภาษาบ า, า, าลาีไม่ได้ไม่เป็นไรอธิบายตัวกุติแต่ด้านหลังมันเปยังไงไรครับมันมีสี่ อย่างในการหนึ yeah ่งกุติที so ่สองขอมูดให้แกลกับปิยกุติได้าะหลังแรกได้นะสองกุติที่ที่ไม่มีร้อล้อในบ้านไม่มีล้อล้อหรือไม่มีล้อง้อเบามากถูกต้องมาทุ่งหลังอะไรใช่ไหมแกลกับปิยกุติทั้หมดเลยเอาหลักหลังที่สาม ข่าวกุิที่ยมถวายแทนกัปี้กุฏิเลยนะครับลำที่สี่นะคุดท้ายั้งยรวมต้งยต้นแรกกล่าวตอกัปี้กุฏินะครับกุฏิที่พรไปช่วยการทำกัปตี้ใช่ครับตอนที่เอาสาต้นแรกลงนะพระก็ช่วยกาทกัปตี้ใช่มรัเหรเพรว่ากัปตี้กุฏิกะโรม่านะครับ ถูกต้องมีสี่เขาเรียกชื่อว่าที่สมมุติเขาเรียกว่าสัมมตินะครับสมมุติอะไรที่โยเขาถวายเป็น ก, กระเบียองหรือได้ว่าข้าติของเราที่ไม่มีรั้วล้อมเขาเรียกว่าโคนิสาติการโคนั่งนะครับที่รวมมันกับปีแยงเขาเรียกว่าอุสาบานติการนะครับมีการสวดเป็นที่สุดนี่นะสี่หลังเราถูกต้องนะครับทีสัมมติ <Okay. S 1> ครับครับสมมติก็สมมุตินะครับพระสุกรรมวัจาสมมุติเลยนะครับครับสมมุติกติหลังอะไรหนึ่งก็ได้ในว่าเนี่ยให้เป็นกับเยี่ยมกติขึ้นมาครับอ่านไหมครับอ่านเ็นโหลก่อนจำไม่ได้นะหรือว่าจดิ้ทุกขียกับมันมันใช้กันได้ใช่ไหม ยี่ิสติยากรรมครับประโรกซึรู้สึกอัปปะโรก็ได้นะครับอปโกเนี่ยได้อยู่นะอัปปโรได้อยู่นะคือนี่สองอย่างนั้นอัปปโรกับนักรรมกับยี่ติสติยากรรมนะครับ<ม> น, น, น, ะนะครับดูใกล้หน่อยน้อยตัดสิบนครับพ่ออ๋อนี่ได้ได้ไดนะครับก็เออยี่ติสติยากรรมและอัประโรอปปโรกันกันกกรรมถ้าได้สองแบบ เลี้ยงจะอ่านอ่านก็ได้คำสวดเพื่อเป็นครับ้อยสาสิบหกนะครับสเนี่ยคำสมมุินะนิสุผู้ชนาผู้สามารถถึงประกาศให้สงราบด้วยยดูติยีกรรมวาบาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงศ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรังของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์ควรสมมุติวิหารมีชื่อ น, นี้ให้เป็นกัปยาภูมินี้เป็นญติครั ท่าเจ้าข้าของสงสารความข้าพเจ้าสงสมมุติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปตียาภูมิการสมมุติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปตียาภูมิชอบกับท่านผูน้ใดถ้ามนั้นเป็นคู่นิ่งไม่ชอบกับทรามใดธร้มนั้นผป็นผู้วิหารมีชื่อนี้สงสมมุติให้เป็นกัปตียาภูมิแล้วชอบแก่สงเห็นนั้นจริงนิ่งข้าพเจ้าทรงความมีไว้ด้วยอย่างนี้จะตระพฤติทำก็ใช้ได้ครับ ไปนะครัยีนะข้อสิบสองอันนี้ให้อธิบายผมที่เจ็ดคิดแล้มต้องให้สาวอธบายจงอธิบายปนีตโนาโพชนาสิกขาบทใหมะคะรับปณิสตาโพชนาสิกขาบทเป็นยังไงะครับที่ต้องอานบัตเป็นยังไงาพาไปทำอะไรนะครับถึงต้องอาบัตรในสิกขาบทนี้ปนีตโนาโพชนาสิกขาบท น, น, ะ ค, ะในใครับว่ใเป็น เาไปขออาหารประนีมาประฉันเน่ยอาหารประนีะเป็นยังไงครับมัครับในที่นี้คืออาหารยังไงกยาาวเราต้อเห็นตัวสิขาบท น, นะครับหรือว่าคำอธิบายเนี่ยสับปะรดในสายในสายน้ามันน้ำผพ น, น้ ำ, นนำ อ, ำ อ, อ้อยเนื้อครับชีสแล้คือน้ำนมน้านมครับ ทัชที่นมส้มครับมันก็มีในสายในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ําน้ํามอยใช่ไหมครับนมสดนมสดนมส้มปลาเนื้อเก้าอย่างนี้ใช่ไหมครับขอเก้าอย่างนี้รู้ว่าขออะไรขอคนที่ป่าๆ่าหรือว่าขอผสมกับอะไรครับเรื่องขอข้าวนะครับคือเราขอข้าวเนี่ยพร้อมกับของปะนีเก้าอย่างนี้ใช่ไับ อย่างอะไรก็เหมือนใช่ไหมครัต้องขอสองอย่างนี้พะ้ อ, อ, อ ก, กันนะครับอมไม่ได้ผลไม่ได้ไข่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลอาปามมาขอมาฉันนะตอนที่ขอไปนาบัตรอะไรครับก่อกนรับประเคนต้างอะไรบัตรอิติอรอับประเคนไปอิตีะนะเหรอะเนาะก่อนนะครับตอนฉันไปาบปปัตรไปอิตินะคะรับไปอิติตอนฉันน ะ, ะมผมจะถามต่อไปเกี่ยวกับการรับประเคนนะครับ ใบไม้ครับและเตียงต่างอันแรกใบไม้นะอันที่สองเตียงต่างแบบไหนที่ใช้รับประเคนได้แบบไหนใช้รับประเคนไม่ได้ครับเอาใบไม้หลาก็นั่งครับใบไม้ก็ใบโตโตที่รับประเคนได้จะต้องเป็นใบโตโตหน่อยครับใบมันเช่นใบใบบัวใบบัวครับใบตาบัวใบโกดใบบัวครับ อะไรนะที่เราประเข็มไม่ได้เพิใบมะขามนะครับต้นต น, น้าเล็กไปใช้เราประเข็ไม่ได้แล้วก็ใบ ม, ม้าแบบไหนครับถึงใบโตแต่ก็ช้เรประเข็ไม่ได้ถึงใบโตแต่ราประเมไม่ได้ไม่ใมอเอาใบบัวนี่แหละไม่ใช่หือว่าใบกัวแล้วใบใหญ่นี่แหลยัยยไม่ได้ออกมาต้ยัง ไ, ไม่ได้ออกมาจากตน้นครับยังติดยตอยู่กับต้นอยู่นี่นะ นเขาติด่กับที่อันนี้ชรับประเข็ไม่ได้าต้องเด็ดมากอกใช่ไหม ก, กลับปยอหรือว <c oughs> ่าจะมาข้างต้นเแล้วใส่แล้วก็เตรียมสั่งแบบไหนอรบหรือว่าตยอยู่ในต้นใบนะอยู่ในกระงเรงแบอ๋ออยู่ในกระงอยู่ในต้นแหละเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ไมไดนะคะต้องเด็ดมาก่อนนี แล้วก็เตียงต่างแบบไหนที่ใช้รับกระเค็ได้แต่ไหนรับกระเค็ไม่ไ ด, ททด้ที่เคลื่อนที่รับเค็ได้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้รับเค็นได้<ม>เคลื่อนที่ไม่ได้หมายว่าอย่างไางไรครับก็ไม่สามารถที่จะยกได้คือว่ามันติดยึดติดตึงเลยอขอเขายึดบบยึดติดไว้ใช่ไหม ค, ค, ครับเขาเตึงขา่ะติดไว้กับพื้นเลยใช่ไหมแต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแต่ได้เคลื่อนที่ได้ถึงจะหนักก็แล้วแต่นะสามารถใช้รับกระเค็ได้ บูดปางกายยันยกขึ้นไม่ขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเชิรับประเคห์ครับขอสามารถเรียนได้ ก, กันนครับก้องนะครับ <c oughs> ต่อไปต่อไปถามว่าไม่ใช่ข้อที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรับประเคนะครับ <c oughs> ไม่ใช่น้ําและไม้ชําระฟันไม่ใช่ยามหาวิกะอืมครับ <c oughs> พี่สุขืนกินเข้าไปโดยไม่ได้รับประเคห แต่ไม่ต้องอาบัตคืออะไรจงบอกมาก็น้ำพุน้ำเหลือใช่ไหมกนแลอะไรพวนี้ที่ของเราเหออกมาครับเออทกอ่เนี่ยของอยู่ขี้หูุ้ยตาหงุน้ำลายใช่หหุ้ยตาหมุ้น้ำลายเหนือเหือเหนือไท่แบบแไหนนะ แบบไหนที่ยังติดการที่ยังไม่แบบการยังไม่ตกขาหล่นไปนะครับถ้าหดต้องจะหยถ้าอยู่ยตรงจะบูกแล้วก็กไะต้อง๋อไใชถ้าถ้ามันเนื่องการไม่ต้องแต่ถ้ามันหยุดแล้เอาขาพันหยุดแล้วขาหล่นไปขาขาต้องย่งเงี้ยช่ครับต้องครับความจริงม่อีแบบหนึ่งนะ วันนั้นผมไม่ได้บอกอันนี้มาบอกก็แล้วกันอาหารที่โยงเขาน้องถวายแล้วแต่เขาทขาหล่ครับนั่นเขาจะใส่บาตรแล้วใช่ไหมพอดีไปภาพที่ไหนอาหารหล่ครับอาหารนั้นพิสูจน์ก็สามารถหยิบขึ้นมาชันได้หอกันอันนี้เป็นพิเศษนะเพราะนั้นไม่ได้พูดให้ฟังครับอาหารหล่นนะครับที่เข้าน้องมาถวายแล้วพิสูจนก็สามารถหยิบมาฉันเองได้เหมือนกันวันนั้นไม่ได้พูดให้ฟังเาาารนนะเ า, า, า, า, า, า, เานนจะได้รู้นะครับ ระดิยโยมพอมีอาหารหล่นปุ๊บเขาจะถือว่าไม่ดีไปหนักประมงคลใช่ไนหะมเพราะมของถูกปกของตัดแล้วไม่ใช่กรณีถ้าเขาน้มมาผวายล้นะครับถึงยังไม่ได้ใส่เนินบาไปหล่นกลองเนี้นะพิสูจน์ก็สา ม, มารถหยิบขึ้นมาฉันเองไดนะ้ <c oughs> ก็ถือว่าเขาแพ้ะนะ 5, 6, 6, 6, นะครับนี่นะครับถ้าบอกว่าถึงจะหยิบหน้าห้าหกสิบหกนะครับยอหน้าสุดท้ายนะีห้าห้ครับ ถึงจะหยิบแม้ของตกที่เขากำลังถวายแก่พิสูจขึ้นมาฉันเองก็ควรในการหยิบเอาของตกฉันนั้นมีสูตรเป็นเครื่องสาตงมดำตอกไป น, นี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้พิสูจหยิบเอาของตกที่เขากำลังถวายฉันเองได้เขากำลังถวายนมนหลงใช่ไหมแสงมาหยิบฉันได้ครับข้อนั้นเป็นข้อเหตุใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย พาะของนั้นพวกทายยกเขาสละแล้วเลยท่านก็อธิบายว่าของใดที่เขากำลังถวายทักหลุดจามือของผู้ถวายตกลงไปบนพื้นที่สะอาดนะครับหรือบนใบบัวบนผ้าเสือลำแพงเป็นต้นของนั้นจะหยิบขึ้นมาฉันเองก็ควรแต่ของใดตกลงไปบนพื้นที่มีฝุ่นละอองของนั้นควรเช็ดหรือว่าปัดฝุ่นออกก่อนนะครับ หรือล้างเมื่อล้างก็ได้คุณละออกออกแล้วนะครับอันนี้ก็อมาฉันได้หรือถ้าประเคนแล้วฉันเธอนะครับถ้าของกลิ่นปลยยังสํานักของพิสูจอื่นเ <c oughs> ขาจะถวายมันหลน่นมันกลิ่นไปหาท่านูปอื่นนะครับแม้พิสูจน์เจ้าข อ, ของของนั้นจะให้นํามาคืนนะครับก็ควรนะครับเราก็อกเอาให้ลูกนั่นยิ้มาให้เราหน่อยนะครับนี่ได้ต า, <c oughs> ามทีม่การยิ้มมาได้ประเค น, นน่ะะถ้าเธอกล่าวพิสูจน์น้นว่า นี่มอนท่านน่ะแหละชันเถิดแม้พิสูจนนั้นจะฉันก็ควรรูงนั้นก็หยิบฉันได้เมื่อความอนุญาตนะแต่พิสูจนั้นอันพิสูจเจ้าของม่ได้สังไม่ควรรับนะครับถ้าเจ้าของคือพิสูจนที่เขาถวายท่านนะไมนได้บอกให้นะรูกอื่นนั้นก็จะชันไม่ได้คนระับหยิบไม่ได้นะ่าต้องบอังคับก่อนแม้ในกลุ่นในกลุ่นทีกล่าวว่าแม้จะไม่ได้รับคําสั่งนะครับ จะรับด้วยตั้งใจว่าจับถวายพิสุทธิเจ้าของสิ่งของนอก น, นี้ก็ควรห <c oughs> าว่าเพราะเหตุอะไรของนั้นจึงไม่ควรที่พิสุทธิ์นอก น, นี้จะรับเพราะพิพพพะมพภาเจ้าที่ได้สรงอนุ ญ, ญาตไว้จริงอยู่พิมพภาเจ้าเมื่อกล่าวว่าเราอนุ ญ, ญาตให้พิสุทธหยิบของฉันเองได้ดัง น, นี้ก็ทรอนุ ญ, ญาตแก่พิสุทธผู้ซึ่งเขากําลังถวายของที่พลันตกกับพระน่ะตกไปนั้นเท่านั้น แค่หยิบเอของนั้นแล้แม้เมืรัปรกเทนชันได้แต่ด้วยคําว่าคือก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะของนั้นพวกทายุติสมาให้แล้วจึงเป็นอันทรงแสดงความไม่เป็นของคนอื่นในพราาะธรรมนี้เพราะฉะนั้นพิสูจอื่นหยิบชันเองจึงไม่ควรแต่สมควรข้อการสั่งของพิสูจน์พูดเป็นช่อดของแห่งสิ่งของนั้นเนี่ยของ น, น, น, นี้ถ้าเขาถามก็จะไม่ตอกได้ ไม่ใช่ไม้ไม่ใชฝันไม่ใช่หาไน่ใชไม่ใช่ยามหาวิกัลไม่ใช่มหาพูดที่อยู่ในร่างกายอแต่รู้สึกจริงๆของที่ยังไม่ล ะ, ะเพ <c oughs> คือของที่ยังหลมชิงครับต่อไปข้อนี้น่ายนะครับนําไปคบก็แล้วกันแล้วข้อสุดท้ายนะมหาผลมีเก้าอย่างน้ําปานะอัฐบาลนะครับแปดอย่างคืออะไรจงบอกมา นมำให้ครบมาหาผลมาผลเีเก้ายังต้งเ่องแตงโมแล้วแตงมีแตอแตงโมมีเท่าไหร่แตงโมแตงโมแตงโมสองแตงไทยลูกเต่าน้ำเต้าน้ำเต้าเขีวมะพร้าวลูกตาลปลากทอง ขนมครับสาเกเลี้ยงยงนี้รอยาดีครับข้าว ป๊อปเขียวนะครับเนี่ยถูกต้องนะครับ้ออาวให่นะคอเขียวมาหาผลข้าองาอเอาใหม่อีกครั้งนึ่งนะ <c oughs> ว่าจะมีแปลงโมแปลงไยฟักทองฟักเขียวมะพร้าวลูกบาล น, น้ำอคาหนุนสาเกน้ำต้าใี่มามต้าครับ พักทอง่างยังหานหวกล้างอย่างนะครับต่อไปนะอัฐบาลนครับน้ำตงหน้าแปดอย่างน้ำกล้วยมีแม่กล้วยไม่มีแมรน้ำามะม่วงครับมะซาลูกว่าแล้วก็ลูกจันมะปัง ครับนะครับอังุ น, น, น, นลูกจังอันุนครับเขาแตกั้นนะลูกจันอันครอบนะครับแตกยาคารันใช่ไหมถูกต้องนะครับเขนี่ก็โอ้ได้แยะพักคึ่นบดีครับจบนะตัทข้าครอบถือว่าผ่านถ้ า, ถ า, ถ า, ถ า, ถาใช่ได้ตอบไม่ได้จรงนะแต่ต้องยให้ผู้ชดะที่นะ <c oughs> <c oughs> สามารถตอบนี่เสียถ้าโมจะน่าปัญหาได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้อะไรอ่าใช่ไหมอันนี้ทำมาจากข้าวอพนทามาจากข้าวเหรอใช่ขนมสดนะใช่ขนมสดทำมาจากข้าวทมาจากข้าวเหนียวขนมแห้งก็มาจากข้ามกัน ต้องมให้เ๋ยูกน้ำลูกตัวน้ำเลยอไม่เดี๋ยวจะมีแป้งที่ยังเป็นนะแป้งก็่ยังเป็นแต่ว่ามันจะมีบางอย่างถ้าเป็นแป้งโวนเคี้ยวเนี่ยเขาไปทอดเป็นฟิงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นโพชนาแล้วเขาเข้าตอกนี่ก็ไม่ใช่โพชนาทุกทุกคนจริงๆท่านผมไม่รู้จักเอาปอกเ่ยถ้าตอกไป็นว่ามันเนข้าวเข้าเผือกนะครับแล้วก็ไปขั่วครับ มันก็จะแต่งมันแครับเข้าวโพดขั่วเลยเห็นไหมข้าวโพดกรอบเลยเป็นเม็ดใช่ไมคอ๋อที่เขาเรียก่าตอกนะครับแต่ว่าันนี้เข้าเข้าเปลือกเลยไม่ใช่ข้าโพดน่ะข้าวเปลือกไปขั่วเลยแล้วมก็จะมันเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกเนี่ไหครับนั่นเรียกว่าเข้าวตอกครับภาษาบาลีลาชาใช่มลาชาลาชาเทพเทพเออลาชาเทพีดาเทพีดาข้าวตอกนะครับนั่นแหละนะ แต่หน้ายเาอสามันเป็นทำเป็นขนมมาทํำอะไรได้ใช่ไหมแต่ยาสานก็ทําำจากข้าต่อกใช่ไหมครับใช่ไหมชอแต่ว่าอมันก็คล้ายข้าต่อกเ่ยเข้าตัวไปคู่แลมันก็แตกเป็นดอกเป็นดอกนั่นนช่ไครับแล้วก็รวยน้ําตาลใส่อะไรนะมันพล้าวบ้างใส่ถั่วใส่งาอะไรแล้วแต่ครับก็ใส่หลายอย่างครับมีข้าวทองอะไรครับีม่ไม่ชนะนะฉันได้ครับแต่ว่าแต่เ็นข้าวแต่นี่ไม่ได้ นี่จเข้าแตงน่ครับนั่นแหละที่ข้าเข้าเหนียวใช่ไหมข้าเหนียวมนปั้นเป็นกลมใช่ไหมครับแล้วก็ไปทอดใช่ไหมเขาเขาเขาเอาข้าเหนียวบีบๆไปหละแล้วก็ต้องไปตากให้แ้ก่อนไปทอดเขาเขาไปตากหรือเปล่าครับอันนั้นถ้าเขาไปทอดนะมันจะเป็นอะไรนะข้ากี่แล้วไม่ใช่เหรเข้าจีเข้าวเผาเลยครับอือใช่แต่นี่ข้าแตงเนียเขาต้องไปตากก่อนไม่ใช่นะ เขาต้องตากนะต้องตากกันท้อข้าเดี่ยวที่กินเหลือเขาไปตากใช่ใช่รับ<อ>เขาไปปั้นก่อนไปปั้นก่อนอะไรก็จะตากใช่ไหมแล้วคนมาทอบเขาหรือว่าเขาไม่ได้ตา ก, เ, าขาตากเขาตากนะเขาตากกันท้อถ้าเขาไม่ตากมันก็ยังแบบสดๆอยู่ใช่ไหม